ยาตายาจิตกังยาหนังยาตายาจิตกังทนังขอยืมยานขอมาขับขอยืมทรัพขามาใช่ฉันใดการที่ได้สวยความสุขเป็นความสุขที่ผู้อื่นยื่นให้ก็เปรียบกันได้ฉะนั้นแหลการได้ความสุขโดยเป็นความสุขที่ผู้อื่นยื่นให้ เราไม่ปรารถนาเลยปุ่นทั้งหลายอันเราทำเองแล้วนั้นย่อมเป็นทรัพย์อันตามติดตัวเราไปได้เราไปในหมู่มนุษย์แล้วจะได้ทำกุศลให้มากที่บุคคลกระทำแล้วได้รับความสุขและไม่ต้องการเดือดร้อนในภายหลังด้วยทาน ด้วยการประพฤติสม่ำเสมอด้วยการสมรวมด้วยการฝึกตนในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อตมัมมฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็มาทำจิตให้มีความสงบให้มีความระงับให้มีความเป็นอารมณ์เดียว ในรายการธรรมรับอรุณโดยมุนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูรณ์อาภิปุโญเรามาเริ่มด้วยการสังเกตลมหายใจของเรากันซะ ก, ก่อนทุกผู้ฟังลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกอย่างเปนธรรมดาอย่าให้ใจทิ้งอย่าให้ใจให้มันออกเข้าเฉย แต่ทำลมหายใจของเราให้เป็นบุญให้เป็นกุศลให้เป็นความสุขให้เป็นความสงบให้เกิดประโยชน์ได้ถ้าลมหายใจที่ออกที่เข้าขเราทุกครั้งทุกครั้งนี้ยทุกครั้ง เ, ร, งเราใกล้ความตายเข้าไปทุกครั้งทุกครั้งเลยนะเพราะว่าเวลาลมหายใจเข้าครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นการเพิ่มออกซิเจน เพิ่มการสันดาบเพิ่มการเผาไหม้ในร่างกายของเราการเผาไหม้นั่นก็คือธาตุไฟแล้วเองไฟที่ยังกายให้สุดโสมไฟทําให้อายุสินส้นไปสิ้นใบแต่ถ้าไม่มีธาตุไฟคือความร้อนร่างกายมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องมีทั้งไฟอายุก็ต้องสิ้นไป เป็นธรรมดาธรรมชาติของร่างกายแต่ในขณะอายุที่สิ้นไปสิ้นไปตามลมหายใจที่เข้าที่ออกเราสามารถทําให้ลมหายใจนั้นเป็นเส้นทางเป็นแนวทางเป็นจุดที่จะก้าวต่อไปสู่ความไม่ตายได้ตำมฝาโดยเราเริ่มจากการตั้งสติของเขึ้น ตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจโดยไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมแต่ให้รู้ลมอยู่ณที่ตำแหน่งเดียวลองหายใจลึกสักสองสามครั้งลองหายใจแรงแงสักครั้งสองครั้งรับรู้สัมผัสของลมได้ณที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะ ที่ตำแหน่งนั้นแปาว่าเอาจิตตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นหมายถึงให้เรามาจดจ่อคอยสังเกตดูอยู่ณที่ตำแหน่งนั้นคอยสังเกตดูก็คือการกาหนดดูคอยสังเกตดูคอยกาหนดดูก็คือการมาคอยจดจ่อไว้คอยสังเกตดูคอยกาหนดดูคอยจดจ่อไว้ ดูอะไร อ, อ๋อดูอะไรที่มันผ่านเข้าผ่านออกก็ลมหายใจนี่แหละลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกเราดูอยู่ที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งนี้เองเปรบไว้มันกระยมที่เฝ้าประตูเวลามีใครเข้าใครออกก็รู้อยู่ว่ามีคนเข้าคนออกแต่ไม่ได้ตามคนเข้าคนออกนั้นไปรู้อยู่นี่ประว่าก็คอยดูอยู่ไง ไม่ได้หลับในไม่ได้สนใจไปในทางอื่นแต่สนใจอยู่กับคนเข้าคนออกแต่แต่ไม่ตามไปเช่นเดียวกันเวลาจิตของเราที่เจะมาคอยสังเกตดูลมคือดูนะที่ตำแหน่งเดียวนี้ไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องแต่งให้ลมสั้นลมยาวที่ห่างร้อนเย็นเร็วช้าอย่างไร เวลาที่เราทําอย่างเป็นธรรมชาติดูฟังเราไม่ต้องบังคับคือไม่ต้องบังคับทั้งลมไม่ต้องบังคับทั้งร่างกายว่าจะต้องเกรงตรงนี้หน้าตาทรงอย่างนี้กระหมดคิ้วเกรงไหลเกรงคอเกรงหลังเกรงลมไปด้วยเนะี่ยบังคับไม่ต้องบังคับไงให้ปล่อยคิ้วปล่อย พอปล่อยบาไหลหลังยังเป็นธรรมชาติสบายๆท า, างร่างกายก็ไม่บังคับแล้วทั้งจิตใจก็ไม่ต้องบังคับด้วยไม่ต้องไปคอยบังคับความคิดว่าต้องคิดหรือต้องไม่คิดแต่ทําอย่างเป็นธรรมชาตินะ่ะว่าต้องคิดเรื่องนี้หรือไม่คิดเรื่องนี้แต่ทําอย่ยงสบายๆนะ มีความคิดมาก็ไม่มากก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ลืมลมไงเพราะว่าคนเราบางทีมันคิดได้หลายๆเรื่องพรำพรำกันหลายๆเรื่องปรำพรกันนี่เช่นวินาทีนี้บางทีเราคิดเรื่องเดี๋ยวจะซื้ออะไรดีน่าไปตลาดอโอ้แล้ววันนี้ต้องทําอะไรอีกนี่โอ้แล้วต้องคุยกับคนนั้นเรื่องนี้ด้วย น, นี่นะโอ้แล้วจต้องซื้อเอ๊อะไรอยู่ในตู้เย็นน้าทำกับข้าวนี่คิดไปทั่วนะ ออคุณเราเหมือนคิดนั่นนี่นอนได้หลายๆอย่างหลายหลายอย่างบางทีพร้อมๆกันหรือหลายๆอย่างในขณะเวลาต่างๆกันก็ด้วยในที่นี้ในขณะที่เรคิดเนี่ยคิดหน่นแล้วคิดนี้เนี่ยไม่เป็นไรเราไม่ลืมลมไปด้วยก็แล้วกันไม่ลืมลมนี่คือคอยสังเกตดูลมไม่ลืมลมนี่คือไม่เผลอไปตามความคิด ไม่ลืมลมไม่เผลอไปตามความคิดไม่ใช่ว่าไม่คิดแต่คิดอยู่แต่ว่าไม่เพลินไปตามความคิดไม่ลืมไม่เผลอไม่เพลินในความคิดอะไรต่างๆที่มาไม่ใช่ไม่คิดนะคิดอยู่แต่ไม่ต่างไปอาจจะคิดสั้นคิดน้อยคิดยาวคิดมากคิดเยอะแต่ไม่ ลืมลมไงพอไม่ลืมลมพระสังเกตลมหายใจได้แม้จะคิดเยอะก็ตามนะคิดเยอะเลยเยอะเรื่องด้วยเยอะแบบยาวด้วยเยอะแบบมากด้วยแต่งเรื่องก็เยอะคิดก็นานแล้วเรื่องนี้ก็ใหญ่ด้วยนะแต่ถ้าในขณะที่คิดนั่นน่ะคุณไม่ลืมลมหายใจ ไม่ลืมลมหายใจก็คือไม่เพลินไปตามความคิดนั้นร0อยเปอร์เซ็นมีส่วนได้ส่วนหนึ่งของจิตใจเราบ้างที่ยังกำหนดอยู่กับลมยังกำหนดอยู่กับลมยังกำหนดอยู่กับลมซ้ำสามครั้งซ้าแล้วซ้าอีกทาแล้วทำอีกซ้ำซ้ไปทำไมมันสับหมูไงท่าฟั ง, งลมหายใจแล้วรอหายใจเข้าซ้ําๆไปทำไมล่ะ โอ้ก็ร่างกายมันจะได้อยู่ได้สติเราตั้งซ้ำๆมันมีกำลังขึ้นมาคนออกกำลังนีเวลาเขาต้องใช้แรงมากๆใช้กำลังเยอะๆเขาก็หายใจเข้าหายใจออกทีๆขึ้นแรงขึ้นคือมันเยอะเนต้องใช้อากาศเยอะเยอะทั้งเรื่องเวลาเยอะทั้งเรื่องความเร็วเยอะทั้งเรื่องความหนานแน่นแล้วเรามีความคิดเยอะๆมา อย่างน้อยไม่เลินไปตามความคิดนั้นร้อยเปอร์เซนแต่พอกําหนดตั้งไว้อยู่กับลมหายใจพอดีพอได้พอดีพอได้ไม่เผลอไม่เลินไม่ลืมความไม่เผลอไม่เลินไม่ลืมไม่หลงไปนั่นคือสติเลยทมาู้ฟังสติตรงข้ามกับความเลินสติตรงข้ามกับการหลงลืม สติตรงข้ามกับความเผ ล, ลอๆความไม่เอาใจใส่ความหาาามลงไปแต่ก็เรามีสติปุ๊บไอ้เจ้าความเผลอความเพลินความห ล, ลงลืมการไปตามอารมณ์นั่นมันจะลดลงเบาบางลงทันทีเลยนะทุกฝ่ายทันทีเลยให้ผลเดี๋ยวนั้นไม่ใช่ว่าเราดูลมแล้วก็รอชาติหน้าแล้วกันนะ เออจะได้มีความสุขลักไม่ต้องรอเลยต้องฟังให้ผลปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ณนะวินาทีนี้ทันทีประเด็นคือเราจะสังเกตเห็นผลของเขาที่เราได้รับอยู่นั้นนั่นนะ่ะได้ไหมมันเล็กน้อยก็น้ำทะเลมันเต็มได้ไงอ่ะฝนไม่ได้ตกทีละเม็ดหรอกเออ ฝนก็ตกจีละเม็ดละเม็ดเม็ดหนึ่งก็ใหญ่ไม่เกินหัวแม่โป่งนี่แหละบางทีก็เม็ดเล็กๆ เ, เ, เป็นฝอยเป็นละอองด้วยซ้ําแต่ว่าตกมาแล้วตกมาแล้วนี่ตกไม่หยุดไงต่อเนื่องยาวนานทําลําห้วยทําซอกเขาซอกผาน้ําเต็มขึ้นมาแล้วบึงน้อยบึงใหญ่กับน้ําเต็มขึ้นมาอีก ฝนยังตกต่อไปตัวเม็ดเหมือนเดิมนี่แหละฝนนี่ไม่ได้ตกมาทีเท่าขนาดถังสง200ลิตรหรือโอค์แดงใบใหญ่ๆนะตกมาก็เม็ดเล็กๆอย่างที่ว่าแต่ว่าทำแม่น้ำเจ้าประยาคือแม่น้ำใหญ่ทำใม่น้ำปิงวังยมน่านคือแม่น้ำน้อยจนกระทั่งทำอ่าวไทยทำมหาสมุทรทะเลจีนใต้ Pacific a t l a n น i c m e d i t e r r ร n e ร n นอารกไกตกอะไรต่างให้เต็มขึ้นมาได้หมดอะช่นเดียวกันหวังสติเราตั้งไวท้ทีละน้อยๆ น, นี่นะกำหนดไวท้ทีละครั้งๆนี่จากลมหายใจที่เข้าที่ออกนี่สะสมไปเป็นสเสบียงบุญนะในการที่เราจะพ้นเหนือความตายได้ เพกายยังไงมันก็ตายอยู่แล้วนะเข้าสู่ความตายถ้าเราจะมาสนใจเอาความสุขที่อยู่เฉพาะจากกายเฉพาะหน้านี่จากแบบว่าเออกินข้าว อ, อ, อะไรคนนั้นต้องพูดอย่างนี้กับเราคนนั้นต้องทำอย่างนี้กับเราคนนั้นมันมีใครบ้างเพื่อนร่วมงานบ้างเพื่อนร่วมห้องบ้างลูกบ้างอ่ะ ภรรยาหรือสามีคู่ครองบ้างเอา้าเพื่อนบ้านบ้างเอา้าเจ้านายนะเจ้านายต้องรักเออเพื่อนร่วม ง, งานต้องชอบทุกคนต้องแบบว่าเห็นอนกเห็นใจกันคอยคิดคอยเอาใจใส่กันแล้วถ้าบอกว่าจะรอหาเอาความสุขจากคนอื่นนี่นะท่าังพื่อนเปรียบเหมือนกับว่า เรายืมรถเขามาขับยืมเงินเขามาใช้เวลายืมเงินคนอื่นเขามาใช้นี่คต้องคืนนะเวลายืมรถเขามาขับนี่มันก็ต้องเอาไปส่งเขานะไม่ใช่ว่าจะมาใช้ได้ตลอดการช้านานนะถึงเวลามันต้องคืนเวลานั้นไม่รู้ตอนไหนแหละมาอยู่ที่ว่าเงื่อนไขาการยืม การใช้งานกันต้องตกลงกั น, นบอกเอเอาไปเลยเกินี่คือเขาให้ไงใช่ไหมต่อให้ว่าให้แบบว่าให้เลยนะก็ต้องรอคนอื่นเขาให้อยู่ดีอันนี้พระโพธิชัดตุมฟังเปรียบเทียบเอาไว้เปรียบเทียบเอาไว้ในนิทานชาดกที่ชื่อว่าสาทินะราชชาดก เป็นเรื่องตอนที่พระองค์ในสมัยนั้นเกิดเป็นพระราชาชื่อสาธินราแล้วก็ได้เสวยความสุขอะไรต่างๆนั่นนาทำความดีอะไรต่างๆเอาไว้ล้วก็จะมีคนหยิบยื่นความสุขในข้อนั้นข้อนี้ให้จะได้กล่าวคำนี้ออกมาบูฟังว่าความสุขควรจะต้องหาด้วยตนเอง เรามาลองพิจารณาข้อนี้ดูนะเพราะว่าความหมายในข้อนี้ลึกซึ้งมากทุกฝ่ถ้าเราต้องการความสุขจากคนอื่นหยิบยื่นให้แล้วเราจะถึงมีความสุขได้นะเออฉันก็รอให้สอบผานก่อนอรอให้เรียนจบก่อนอรอให้ได้สิ่งนี้มาก่อนตั้งเป้าไว้ละปีนี้ต้องได้อันนี้ถ้ารอรอรอเนี่ยนะ กว่าเราจะมีความสุขเรอไปตอนนั้นนะแล้วบางทีเงื่อนไขมันไม่ได้นะเช่นสอบไม่ผ่านแล้วเป็นไงมันก็ไม่สูงแล้วมันก็ทุกข์เลยถ้าไม่ได้ตามที่หวังอ่ะเช่นทำยอดไม่ได้ขายของไม่ได้เขาไม่ทําตามที่เราหวังมันก็เหมือนกับเขาจะให้ยืมไหมล่ะเขาไม่ให้ยืมมันก็จบเราก็ไม่ได้ไงพอเราไม่ได้ความสุขเหล่านั้นมันก็ทุกข์ทันที ร่างกายนี้ก็ดวเหมือนกันนะเอาหน้าหายก่อนหน้าหายแล้วก็จะไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หายแล้วก็จะมีความสุขรอให้มีโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดอยู่เนี่ยมันดับไปมันหายไปรอรอรอรอคือถ้ามีเงื่อนไขของความสุขแบบนี้นะดูวางนะมันยากนะเหมือนยืมเงินเขาเขาให้ยืมก็ไไม่ยืมก็ได้ รถเนี่ยบางีเขก็ไม่ให้ยืมกันด้วยเงินนี่เดี๋ยวนี้ก็ยืมกันยากแล้วยืมกันไม่คิดดอกเบีย้ยเนี่ยโอ้มันไม่ได้ละบันดีก็ต้องไปเปลี่ยนเช็คบางทีเขาให้มีสินเชื่อโดยด่วนเลยนะวงเงินนี่เยอะด้วยนะแต่แหมเขาคิดดอกเบีย้ยไงฟรีๆเนี่ยมันไม่มีอนะ่ะขอให้เรายืมแบบฟรีๆเลยนะเขาไม่คิดเงินนะเติมน้ำมันให้ก็พออ้าแตยืมรถ มันก็ยังต้องได้คือเนี่ยตุงังมันก็ยังเป็นของคนอื่นอยู่ดีนะั่นะเหมือนกันนะทุกฝังวา่าเราต้องให้คนอื่นมาเป็นเงื่อนไขในการที่จะให้เราเกิดความสุขนี่ถ้าเราต้องการให้คนอื่นมาเป็นเงื่อนไขในการที่จะให้เรามีความพอใจประสบความสาเร็จดีงามเลิศหรูขึ้นมาเนี่ยมันยาก กรรมย่าในที่นี้คือเงื่อนไขมันเยอะมันเยอะเนี่ยเพราะว่าต้องพึ่งคนอื่นไงพอเราเอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในตัวแปรปุ๊บเงื่อนไขเขาทั้งยวงนี่มาด้วยเลยนะฉันถ้าเราจะบอกว่าเออเนี่ยต้องให้กู่ครางเราพูดอย่างนี้ต้องให้ลูกเราสําเร็จอย่างนี้ต้องให้เพื่อนบ้านเราเป็นอย่างนี้ต้องให้เจ้านายเราพูดคํานี้ต้องให้เจ้านายเราทําอย่างนี้ คุณก็เอาเงื่อนไขของเจ้านายเอาเงื่อนไขของลูกเอาเงื่อนไขของกู่ครางเอาเรื่องไข ข, ของการงา น, นงต่างๆเข้ามาด้วยเข้ามาด้วยสึ่งลูกอ่ะถ้าป่วยแล้วจะเป็นยังไงเอาชายเจ้านายวันนี้เกิดก็เป็นประจําเดือนแล้วก็จะเป็นยังไงแล้วถ้าเผื่ว่ารถตอนนี้อเดือดตาตาดอกเบี้ยเป็นงี้แล้วเขาจะเป็นยังไงสถานการณ์โล่งเป็นงี้มันก็เลยเอาเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นเข้ามายําเข้ามายําด้วยโอยเรายิ่งจะไม่ผูกเวิร์วะด้วยตาหูจมูกลิงกายใจเหะแน่นอนเลย เราก็ต้องอาติดตามข่าวด้วยสถานกรารณ์เป็นไงโรไฟไข่เชมราพีเอ็มสองจุดอ่ะและการเมืองด้วยเลือกตั้งอีกโอ้หเวหวาดมากเลยเพราะว่าเงื่อนไขมันเยอะไงมันเยอะคนเรื่องเยอะนี่มันจึงสุกยากสุกยากเพราะว่าเงื่อนไขมันเยอะเรื่องมันเยอะยืมของเขามาใช้นี่เหมือนกันแหละยืมไปอไปอ้อนอวอนเขาจะให้ไหมเออ เพราะฉะนั้นเราอย่าหาความสุขอย่ากาหนดความสําเร็จในเงื่อนไขที่เป็นทางที่ต้องพึ่งสิ่งอื่นคนอื่นเกิมาใช้ได้ในแบบว่าเป็นไกด์ไลน์เป็นตัวแปรนิดหน่อยหรือเป็นข้อสังเกตนะเป็นเครื่องวัดได้บ้างนะอย่างจริงไม่ว่าจะยอดขายหรือว่าตําแหน่งสูงตําแหน่งตำ่ำพวกเนี้ย เป็นตัวเอามาวัดได้บ้างนะแต่ถ้าเราจะกำหนดวความสำเร็จทั้งหมดไว้ตรงนี้เนี่ยไม่ควรเอามาใช้ดูได้บ้างนะแต่อย่ากำหมดเราวควรจะดูตรงไหนเอาดูถ้าเราจะวัดความสำเร็จนะเราคุรจะวัดดูความสำเร็จจากตัวเราเมื่อวานนี้จากตัวเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจากตัวเราเมื่อเดือนที่แล้วจากตัวเราเมื่อปีที่แล้วว่าคุณน่ะดีขึ้นบางบ้ ว่าเราเนี่ยมีสติสมัมปชัญญะมากขึ้นบ่ะว่าเราเนี่ยมีการพัฒนามีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นมีอกุศลธรรมลดลงจากตัวเราเมื่อปีที่แล้วป่ะเดือนที่แล้วป่ะสัปดาห์ที่แล้วไหมหรือเมื่อวานนี้หรือเปล่าเอาไม่ต้องเอามากเอามาเมื่อกี้นี้สัก20นาทีก่อ น, นสัก10นาทีก่อนเลยตอนนี้ กัเนี่ยเดี๋ยวเนี้มีความดีอะไรเพิ่มไหมเออต้าเราบอกว่าเออฉันตั้งสติได้ น, นันน่น น, น, น, น, นันิดหน่อยนะั้นน่ะฝนตกทีละเม็ดไงเราตั้งสติขึ้นวันนี้เดี๋ยวนี้มีนาทีนี้เราพัฒนาขึ้นจากเมื่อหานาทีที่แล้วจากเมื่อนาทีที่แล้วละนาทีที่แล้วสติอาจจะไม่ตั้งมันเต็มที่เอาวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้นี่ใครเป็นคนทํานี่ คไม่ต้องหนูรอว่าฝนตกก่อนหรืออากาศเย็นเย็นก่อนหรือคนนั้นเข้ามาก่อนหรือได้สิ่งนี้ก่อนไม่ต้องรออะไรว่าสตินิ่มทำได้เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องรอคนอื่นด้วยตัวเราเองทำถ้าเราจะรอความสำเร็จเงื่อนไขต่างๆจากคนอื่นภาษาอังกฤษก็มีสมนวนนี้ทุงฝังรอจนบัวมันกลับมาบ้านเวทอันทิวค come Home รอไปเถอะวัวมันหลงฝูงไปเอ่ไม่เลยวัวจะมานะรอรอรอวัวไม่เหมือนมานะหมาบางทีมันหาทางกลับบ้านเองได้กลับคอกมันได้แต่วัวจะหาทางกลับคอกเนี่ยถ้ามันไม่ได้มาเป็นฝูงมันลืมไปบางทีมันก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะรอไปเถอะความสุขนะแต่ใ้ผู้อื่นยื่นให้เหรอคิดให้ดีนะ มองให้ถูกด้วยปัญญาดุลฝังมองให้ถูกด้วยปัญญาเราตั้งสติไว้เนี่ยเราหาความสุขเราหาความสําเร็จของเราเองเริ่มจากการมีสติสัมปชัญญะไม่ได้เป็นเงื่อนไขของทางกายกห้เราว่ะจะไปพูดถึงแค่ว่าเศรษฐกิจโลกสิ่งแวดล้อมสังคมผลการเลือกตั้ง ฝนฟ้าอากาศพวกนี้มันควบคุมไม่ได้อยู่แล้วคือนเป็นยังไงมันก็จะเป็นอยังงันของมันนะ่ะอ่ะนั่นแหละอ่ะบางทีงงๆด้วยเอาเรื่องว่าพยายามใช่เป็นงนี้มันยังเป็นอย่างงั้นขึ้นมาใช่ปะเพราะมันก็เป็นอย่งงางนั้นของมันเป็นเงื่อนไขของทางโลกเป็นเงื่อนไขของธรรมชาติสิ่งภายนอกนอกนอ ก, นอกตัวเราเลยนะงั้นเราบว่าเอ้ยร่างกายเราเนี่ยเราแทาจะพอควบคุมได้ได้บางเฉย ได้มากขึ้นกว่าภายนอกเฉยๆนิดหน่อยแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีเนื่องจากว่าบางคนบอกเอ้ยฉันต้องการสุขภาพดีคุณไอกออกกําลังกายใช่ป่ะแล้วคนที่ออกกําลังกายออกกําลังกายแล้วเป็นมะเร็งนะ่ยมันมีไหมจับสนากเอาเลยมันเป็นได้แล้วคนที่แบบรักษาสุขภาพดีรักษาสุขภาพดีเจออุบัติเหตุไหมืม่อทีก็เป็นได้เจออุบัติเหตุแล้วก็ร่างกายแปบ น, นี้ไม่เหมือนเก่านะหรือบางคนท่าประจาวเคยเจออายุหกสิบ กว่าด้วยโอต่กราึงเป็นมัดๆอยู่อยู่มาวันหนึ่งเกิดเป็นสโตร์ขึ้นอา้าวเป็นอมาพึกไปเลยเครื่งซีกรามเนื้ออะไรที่เคยสร้างไว้ฟอหมดเลยเพราะไปออกกําลังกายได้ไม่เหมือนเก่ามนันเป็นอย่างนั้นดูฟังแม้แต่ร่างกายของเราเนี้ยที่สําหรับบางคนยังสั่งได้สั่งให้ลุกมันก็ลุกได้เลยสั่งให้ย่อมันก็ย่อนั่งได้เลยแต่ถ้าคนที่แบบว่า โอ้ยไม่ต้องหกสิบหรอเอาแค่ว่าจะห้าสิบนี่ไม่ต้องเใครหรอกพระมาะหาไพบูลเนี่ยต้องฟังเดี๋ยวนี้นะบางทีลุกก็โอยนะนั่งก็โอยนะขอวงพว่อบางิมก็ปวดเอวบ้างปวดขาบ้างปวดคอบ้างเออแล้วเวลายิ่งถ้าอายุมากขึ้นไปนะคนอายุหกสิบเจ็ดสิบขึ้นไปแล้วนี่เวลานั่งแล้วไม่อยากจะลุกอลวเวลาลุกแล้วก็ ถ้านั่งนี่ก็ต้องแบบเร็งๆที่นิดหนึ่งว่านั่งแล้วก็ต้องนั่งเลยนะไมไ่ว่าจะนั่งนัลุกลุกกกนั่งได้อ้าวทำไมเป็นยนะังงั้นก็ร่างกายมันไม่เหมือนเก่าพระเจ้าโกราประยาบอกไว้กับท่านพระรัตปาละนะท่านถามว่าร่างกายของพระองค์ท่านเหมือนเก่าไหมโอ้เมื่อก่อนนี่นะสั่งอะไรยังไงนี่มันได้หมดกระโดน วิ่งวิ่งก็เร็วกระโดดก็สูงฝันไปยังไงใช้ออกกำลังก็แรงด้วยแต่เดี๋ยวนี้นะตอนกลางคืนนี่ต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำาบบสองครั้งสามครั้งเอออยากจะนอนต่อให้มันเต็มที่ไม่ได้มันปวดไปต้องไปใช่ปะแล้วก็บางทีจะ ก, ก้าวไปตรงนี้เอามานันจนก้าวพลาดไปอีกตรงหนึ่งเวลาจะหยิบจับสิ่งนี้ขึ้นมาเอ้ามานันหลุดมือ ร่วมไปทางหนึ่งอ่ะเขาทำไมเป็นอย่างนั้นก็ร่างกายมันสั่งไม่ได้ถ้าเราคิดว่าจะสั่งให้เหมือนกับว่าแต่ให้คุณเป็นพระราชาสั่งข้าราชบริพารให้ทำนั้นทำนี่แล้วข้าราชกบริพารคนนั้นก็รู้ใจจริงๆเลยนะทำสิ่งนั้นหาสิ่งนี้อะไรต่างมาให้อย่างดีแต่ว่าทำไมสั่งร่างกายไม่ได้อะคนนั้นแลลวมันไม่ได้ไง เรื่องระบบการย่อยระบบการขับถ่ายระบบความคิดร่างกายนี่จะหยิบจะจับจะยกนี่ก็อย่างนึงด้วยนะใช่ไหมยังเรื่องความคิดอีกด้วยนะเมื่อดิฉัคิดเรื่องนี้นึกชื่อคนนี่มันนึกไม่ออกเลยจะนึกเรื่องที่วางไว้คราวที่แล้วนี่คิดอยู่คราวที่แล้วมันนึกไม่ออกนะที่เราเคยไปที่นี่ไหมมันเป็นยังไงนะมันดีมันก็คิดไม่ออกเพราะว่า ในระบบความคิดบางส่วนมันต้องใช้สมองสมองเป็นส่วนของกายไงเราต้องใช้กายมาในการที่จะต้องมาคิดมานึกพอกายมันเสื่อมไปเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยของมันแล้วมันก็เลยคิดไม่ออกเชนนคนที่เป็นโรคความจําเสื่อมเนี่ย น, นะเพราะว่าเซลล์สมองอะไรมันจะเหมือนเดิมมันก็ไม่ใช่แล้วละ่ะแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะปฏิบัติธรรมไม่ได้หรือจะ กลายเป็นคนเผลอสติลงลืมไปไม่ใช่นะเพราะว่าสติคือความระลึกได้ไม่ลืมนี่ยเแค่ลมเฉยๆนะ่ยถ้านึกถึงลมได้เรื่องอื่นลืมหมดเลยแต่สิ่งความจำเสื่อมหมดเลยเจอะอะไรไม่รุ้เรื่องแบบช็อกซีนิมากระตุกระเทะือนทางสมองอุัติเหต แล้วก็ตื่นมาลืมตา ม, มาเลยลืมทุกคนเลยแต่ไม่ลืมลมนี่เออเดีว่ายังมีสติอยู่นะยังมีสติอยู่มีสติในการระลึกถึงลมไม่ลืมลมสติจะเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทุกฝังตั้งแต่ตอนอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อรนกองเด็กเลี้ยงแพะพราบริจาคสมัยนั้นอยู่ที่นั่น มันนึกว่าเอ้สัตว์โลกนี่เป็นปานี้เนี่มีทุกข์มากจริงเนีโอยเราจะสอนยังไงให้คนจากความทุกข์ได้ด้วยความกรุณาด้วยปัญญาขององค์นะตั้งมั่นเอาไว้คนเรามันจะคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกเนี่ยนะมันต้องประกอบด้วยอารมณ์ต้องประกอบด้วยความรู้สึกที่เหมาะสมก่อนนะพอเราสร้างสิ่งวดล้อมที่เหมาะสมในช่องทางใจเราแล้ว เราอาปัญหานั่นหย่อนลงไปนมันจะโผล่ทางแก้ออกมาได้พระพุทธเจ้าตอนแรกยังไม่คิดว่าจะสอนสัตว์โล่หรือเพราะวารู้สึกมันยากบางทีท่านก็มีความท้อใจเหมือนกันท้อใจว่าโอ้ทำไมพิกษุ ร, รูปนี้เป็นอย่างนี้ท้อใจว่าคนนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นก็มาคิดได้แล้วว่าความสุขเราถ้ามันจะไปพึ่งคนอื่นมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เอาดีกว่าท้อใจในการแสดงธรรมพระพุทธเจ้านี่ตรสัสรู้ธรรมนะแต่ว่าด้วย ความกาุลนาด้วยปัญญากรมรงค์เตั้งกรุณาไว้ตั้งปัญญาไว้ใช่ไหมเออความปรากฏขึ้นของแนวทางที่จะสอนมันจึงออกมาได้ในจิตใจที่ท่วมท้นไปด้วยความกรุณาเออล้นขึ้นมาเหมือนหมหาสมุทรที่เวลามันเต็มขึ้นเต็มขึ้นนี่ยมันมีแต่เต็มขึ้นเต็มขึ้นเลยมันไม่ได้ว่าจะถูก จำกัดด้วยเลเวลนี้ระดับนี้แล้วค่อยล้นออกไม่มีเลยล้นขึ้นแบบเต็มขึ้นเสมอๆ เ, เก็บเอาไว้ได้เต็มขึ้นด้วยกรุณาเต็มขึ้นด้วยปัญญาจึงปรากฏหนทางออกมาว่าอ้อนี่ไงสติปฐานสี่สติปฐาน 4. สี่จึงเป็นหนทางที่จะให้ถึงความพ้นทุกข์ที่จะให้ถึงความสุข เริ่มจากสติของเรากายนะเราก็ควบคุมได้บ้างไม่ได้ร้อยเปอร์เซนยิงแก่ไปยิ่งไม่ได้สิ่งภายนอกก็เหมือนกันนอกร่างกายไปเราก็อาจจะควบคุมได้บ้างไม่ร้อยเปอร์เซน์ยิงแบบวาอยู่นอกตัวยิ่งต้องพึ่งคนอื่นเท่าไหร่ยิงไม่ได้ใจละ่ะท่าผู้ฟังใจเราพอจะควบคุมได้ไหม ไม่ได้เหมือนกันน่ะถ้าว่าไม่มีเหตุไม่มีเงื่อนไขไม่มีปัจจัยก็ไม่ต่างอะไรกับสิ่งภายนอกใช่ป่ะสิ่งภายนอกเช่นการเงินการงานเงอนฝูงเนี่ยถ้าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันก็ไม่เกิดอ่ะคนจะสําเร็จก็ต้องมีเงื่อนไขปัจจัยแห่งความสําเร็จที่เกิดจากภายนอกนั้นคนจะรักกันดีกันก็ต้องมีเงื่อนไขแห่งความรักความพอใจกันแต่ภายนอกนั้นกายก็เหมือนกันอ่ะ ร่างกายเอ๋อถ้าสุขภาพมันแข็งแรงมันก็มีกําลังวางใาแต่เป็นโรคไปแค่เจ็บปัจจัยนั้นหายไป้ายดีไม่มีแล้วมันก็เจ็บป่วยมีทุกขเวทนาทุกอย่างมันเงื่อนไขปัจจัยเหมือนกันแหะในจิตใจเราก็เงื่อนไขปัจจัยเหมือนกันอ่ะถ้าพราะว่าจิตใจเรามันฟุ้งซ่านไม่สงบมีนิวรณ์บางที่ังวงซึมจะให้มันสงบเนี่ยมันไม่มีไม่ได้แมันก็ไม่เป็นก็ไม่สงบจะให้มันสงบเป็นบุญ เป็นสติตั้งมันขึ้นมาได้ก็ต้องมีเงื่อนไข ข, ของมสติต้องมีเงื่อนไ ข, ขของความสำเร็จต้องมีเงื่อนไขของความสงบนั้นไอ้นี่ท่านทาไมพูดอย่างเงี้ยอ๋อก็แล้วมันจะไปต่างกันยังไงอ่ะท่านก็ในเมื่อกาย ก, ายก็มีเงื่อนไขสิ่งภายนอกก็มีเงื่อนไขแล้วถามว่าในช่องทางใจก็ยังต้องมีเงื่อนไขขอทุกอย่างเป็นอนัตตาอยู่แล้วทนะ่างฝังนะแต่สิ่งที่ต่างกันนี้ คือความที่ปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยมันมากหรือมันน้อยไงถ้ายิ่งเราขยายเป็นวงกว้างมากเท่าไหร่คือถ้าเราเริ่มจากจุดเล็กๆในช่องทางใจของเราใช่ป่ะขยายวงกว้างมาคือทางกาย ร, ร่างกายของเราเนี่ยคอบกร อ, อบอยู่ในแค่ผิวหนังเนี่ยนะแล้วขยายออกไปอีกก็เป็นสิ่งวัตล้อมภายนอกใ น, นี้ครอบครัวคนนั้นคนนี้ ยังรวมถึงการงานนั่นนี่คือขยายออกไปมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่นี่นะเงื่อนไขปัจจัยมันยิ่งมากขึ้นเท่านั้นมากขึ้นเท่านั้นไงการที่เราเจอควบคุมเงื่อนไขปัจจัยที่ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมันจึงยิ่งอยากขิ้นอยากขึ้นไงคือเราเอากลยเอาร่างกายของเรานี่คนเรามันเลือกได้ว่ามันจะเป็นเบาหวานหรือมันจะไม่เป็นเบาหวานใช่ป่ะอ๋เภาะวะมันเกิดจากการที่อินซูลินมันเกินไม่เกิ น, นกนินน้ําตาลมาก ทำไมกินน้ำตาลมากเขาพยายามควบคุมด้วยการที่ว่างคุณก็อยากกินน้ำตาลมากรือไม่ก็ควบคุมด้วยการที่ปรับฉีดอินซูลินเข้าไปหรือใช้ยาใช้นั่นใช้นี่เหมือนหลายปัจจัยไงเอาแค่ว่าน้ำตาลอย่างเดีย ว, วนีย่ยังหลายปัจจัยที่จะควบคุมได้ยิ่งถ้าโรคอื่นเข้ามาโปนิคุณเป็นหัวใจด้วยคุกก็ปัตไทด้วยเนี่ยปัจจัยอื่นมันเยอะไง พอเรื่องมันเริ่มเยอะขึ้นการควบคุมการจะปรับตัวแปรการที่จะคอยแก้ไขมันจึงยากปรับตันนี้เออนั่นก็กระเทือนปรับพนนท์อันนี้ก็กนนกมาเกี่ยวกับอันนี้อีกเห็นชัดง่ายๆเลยเรื่องยืมเงินเรื่องยืมรถเรื่องยืมของนี่มันต้องพึ่งคนอื่นอยู่นเปรียบให้เห็นชัดเจนเลยนะแต่ถ้ารถนี่รถเราเองของนี่ของเราเอง เงินเนี่ยเงินเราเองนะเราจะใช้ยังไงมันก็ได้ดูเหมือนกันเลยนะรถกัรถย่อดเดียวกันก็สองคันคันหนึ่งเป็นของเรากันหนึ่งยืมก็มาเงินก็เงินเท่ากันเงินก้อนหนึ่งยืมเข้ามาเงินก้อนหนึ่งของเราเองนี่แต่ว่าเงื่อนไขมันไม่เหมือนกันไงเราจะเอาเงินนี้ไปใช้อะไรถามเจ้าของก่อ น, นจะเ้ารถนี้ไปขับใช่ไหมเดี๋ยวปรึกษาคนที่เป็นเจ้าของรถนี้ก่อน แต่ถ้าเงินเราเองเราใช้ได้เงินเราเองเราจ่ายได้รถเราเองเราขับได้มันของเราเองของเราเองในที่นี้หมายถึงมีเงื่อนไขเดียวมีปัจจัยเดียวคือตัวเราเองใช่ไหมละ่ะนี่เป็นอุปมาต้องฟังตั้งไว้เป็นตัวปเปรียบปเปรียบเทียบกับอุปไหมอุปไหมคือความที่จิตเรามันเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าจิตเรามันต้องหลายปัจจัยนะี่ย มันเยอะไงเอาอันเดียวได้ไหมอันเดียวอย่างเดียวที่เราพอจะดูได้สังเกตได้ควบคุมได้จดจ่อรือแม้แต่คุมจะบังคับเราก็ไม่ทํำด้วยแค่สังเกตอย่างเดียวอย่างเดียวในที่นี้คือลมหายใจอย่างเดียวไม่เอาอย่างอื่นแต่ให้กระรนั้นว่าลมหายใจมันยังมีสองรูนั่นจมูกเนี่ยยังเอาตรงเดียวที่มันรวมเข้าไปตรงกลาง ในโพรงจมูก ค, คือจุดที่เรารับรู้ถึงสมบัติของลมได้เอาที่เดียวไม่ได้เอาสองรู ด, ด้วยเอาที่เดียวที่เดียวที่เราจะมาคอยสังเกตดูเฉยๆไม่บังคับด้วยไม่เกรงด้วยจุดนี้อะทุั่งคือสติเดี๋ยวนะถ้าจุดนั้นเฉยๆเนี่ยมันคือกายใช่ไหมล่ะลมหายใจมันคือกายใช่ไหมล่ะกายแบบกายละเอียดก็คือลม อันนี้เป็นธาตุลมกายแบบจุดสัมผัสนั้นมันก็คือเนื้อเยื่ออะไรต่างมันก็ธาตุดินเนื้อเยื่อใน น, นั้นก็มีเลือดกับธาตุน้ามันก็คือฮาร์ดแวร์ธาดินธาตนา้ำธาตุไฟธาตุลมใช่ไหสติไม่ใช่รูปไม่ใช่กายไม่ใช่ธาตุลมนั้นแต่การระลึกถึงลมนี้ต่างหากความระลึกถึงลมได้นั่นแหะคือสติ เรามากำหนดอยู่กับลมได้นั้นต่างหากความกำหนดได้สังเกตได้นั้นนะ่ะคือสติมีสติตั้งขึ้นใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือขบว์การนี้เรียกว่าอาณาปานะสติถ้เรามีสติตั้งขึ้นจากการที่เราใช้ความดีอื่นๆเช่นความดีที่เราเคยไปให้ทานบริจาคมาก็จะเรียกเป็นจากคานุสติมึดถึงการให้การบริจาค ถ้าเราจะตั้งสติขึ้นจากการใช้ศีลเป็นเครื่องมือที่เราไปทำความดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์มาความระลึกถึงศีลได้นั้นก็เรียกว่าเป็นศีลหลังนุสติตนมีสติตั้งขึ้นจากการที่เรามาคิดนึกเรื่องความดีอื่นๆต่างๆของพระพุทธเจ้าสติตั้งขึ้นใ น, นกรริว่ากระบวนการของพุทธานุสติ แตคิดนึกความดีของเหล่าสาวโคกรุบาจารประสง ค, คนอื่นทําความดีอย่างนั้นอย่างนี้เรื่อเรียกว่าสังขารนึกสติเราเป็นหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิ บ, บัชอบนึกถึงบุคคลเหล่านั้นก็เป็นการนึกถึงประสง์เป็นหมู่อุบาสก อ, อุบาสิกาพิสุิสุนีด้วยรูปแบบมมีหลายอย่างบ้างที่จะให้เกิดสติขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้นรวมกันแล้วก็เรียกว่าเป็นอนุสติสิบประการ เลยมั่งแต่พุทธานุสติธรมานุสติสังขานุสติอุปสมานุสติมรณะนุสติกายกัตาสติตั้งหมดหลายๆอย่างนี้เป็นเครื่องมือให้เกิดสติตั้งกันได้ปัณณสติเราก็ดูมาแล้วใช่ไหมตอนนี้เรามาเจริญอาณาปัณณสติคือใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการตั้งสติก็เราขึ้นมีสติขึ้นหมายถึงอะไร คือไม่ถึงการระลึกได้หมายถึงอะไรหมายถึงความที่เราใช้เงื่อนไขปัจจัยคือเลาหมายใจคือจิตของเราไม่คล้อยเคลื่อนหรือเปลือเปลินไปตามสิ่งนั้นการระลึกได้เงื่อนไขปัจจัยแบบเนี้ยคือสติเงื่อนไขของสติการกระทําตรงเนี้ยดูฟังเขาเรียกว่าเป็นความเพียรไงทําไมอ่ะุณพยายามที่จะนึกถึงสิ่งที่มันดีๆใช่มะ ความดีก็เกิดขึ้นไงเอ้ยฉันจะไม่เพลินไปความเพลินมันลดลงใช่ไหมละ่ะความเพลินเป็นอกุศลอกุศลแล้ก็ลดลงไงการกระทําที่ให้ความดีเพิ่มความไม่ดีลดให้กุศลเพิ่มอกุศลลดหรือว่าการทําความเพลี่ยนการทําความเพียเพ่ยนมีหลายรูปแบบนี่เรียกว่าเป็นการทําความเปลี่ยนในใจเป็นความเพลี่ยนทางใจอยู่ในภายในเมืออคนหลับตาด้วย บคนไม่ได้ขยับกายอะไรเลยด้วยแต่เป็นความเปลี่ยนในภายในเพราะกุศลธรรมเพิ่มฮะผู้สนุธรรมลดลรูปแบบนี้มันก็ได้หลายวิธีนะจะอนาปานสติจะสีนานุสติได้หมดอะไม่ว่าจะวิธีการใดๆซึ่งความเปลี่ยนพอเราดูออกภายนอกก็คือหม่ถึงว่าถ้าเราเอาความเปลี่ยนนี้ไปใช้ในภายนอกนะ สิ่งร่างกายของเร า, เ, ราเอองั้นฉันก็ออกกำลังกายแล้วกันเป็นความเพียนทางกายความเพียนทางกายให้ผลแน่นอนรุกฝั่งออกกระสุนกับเปล่าจักแข่งแรงขึ้นมาแต่นี้พอออกภายนอกปุ๊บนี่เงื่องไขปัจจัยมันเพิ่มขึ้นไงเวละเอางั้นช่วยๆออกภายนอกช่วยๆทำงานให้มันดีเอใช้ความเพียนไปในการทํางานใช้ความเพียนไปในการอ่านหนังสือใช้ความเพี่ยนในการทรําประโยชน์ภายนอกอ่หวังว่าเจนตาผู้ชายไปจีผู้หญิง อุ้ยนี่ทำความเปลียนแน่นอนใช่ละ่ะเช้าถึงเงย็นถึงโทรหาส่งข้อความไปนั่นนี่หรือว่าคุณทำความเพียนด้วยการงานอ่ะคุณอ่าน เ, เปเปิดนี่คุณทำงานนี่คุณเดินทางไปที่นี่ฝึกการพูดการเขียนอย่างนี้ทำงานออกมาได้ใช้เครื่องมือนั่นนี่นี่คือความเพียนแน่นอนรู้เปที่เราใส่ลงไปใส่ลงไปแต่ที่พอเราใส่ลงไปใส่ลงไปนี่มันก็ถ้ามีเงินไขยเยอะ การควบคุมเงื่อนไขเหล่านั้นบางทีเราทําได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็มีปัญหายอย่างที่ว่าแต่พอเราใส่ความเพียนไปในจุดเดียวคือในใจของเราใช่ปะ่นะนที่เดียวคือจุดที่เราจะตั้งสติได้ใช่ป่ะละ่ะสติมันเกิดทันทีไงเพราะว่มันแค่อย่างเดียวีกลับก็ามาที่ในช่องทางใจนะอย่างเดียวเกิดขึ้นระลึกได้ เพราะทุกอย่างมันมารวมที่ใจในที่นี้เราลมอย่างเดียวเนี่ยุ่มเลยสติเกิดเลยเพราะอะไรนะสามขีดหนึงเราะความเพีย่ยนเพราะเรามีสัมมาวายมะส ม, มาสติมันก็เกิดขึ้นบุคคลผู้มีความเพลียนตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้วเดือดอะไอย่างนี้สิ่งที่จะหวังได้เกิดขึ้นได้ นั่นคือจิตจะมีความระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดแล้วแม่นาได้ในที่นี้เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือระลึกถึงตั้งไว้นั่นคือสติเราคุจะไม่ทำความเพียรได้หรือไม่ทําได้จะมาแบบว่ า, าเพิ่มกุศลลดอกุศลเพิ่มกุศลในที่นี้คือเพิ่มการระลึกได้คือสติลดอกุศลในที่นี้คือลดความเพลินความพอใจ การเลอเลอไหลๆๆไปตามสิ่งต่างนั่นนี่คนเรามันจะมาตั้งใจทําอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวสักอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะระวัง น, นะมันก็ต้องมีความมั่นใจพอสมควรมั่นใจในสามสอย่างนี้ว่าเฮ้ฉันน่าจะทำได้นะหรือบางคนอาจจะไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทาได้ก็ได้นะแต่ว่ามั่นใจในวิธีการนะ่ะว่าวิธีการนี้มันน่าจะเวิร์กนะมองจากมุมนี้ก็ได้นะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มั่นใจในตัวเองแต่ไม่รู้ว่าไม่ได้คิดเลยหรืว่าถ้าวิธีการนี้มันน่าจะเวิร์กฉันจะลองทําดูเออเขาก็จะลงมือทําดูความเพียรนี่คือการทําจริงแน่แน่จริงในสิ่งนั้นที่เราคาดว่ามันต้องได้ผลนะอย่างที่สามคือความมั่นใจว่าออมันต้องได้ผลนะอย่างแรกคือความมั่นใจว่าเราต้องทําได้ใช่ไหมอย่างที่สองคือความมั่นใจในกระบวนการว่ามัน ต้องเวิร์กนะอย่างที่สามคือความมั่นใจว่าผลมันต้องเกิดนะเออเหตุมีแล้วผลก็ต้องเกิดหรือจะมีความมั่นใจในคนอื่นที่เขาเคยทำมาแล้วด้วยอะคนนั้นก็ททำแล้วเขาเวิร์กเราก็ทำน่าจะ work เวิร์เหมือนกันเออความมั่นใจจากการเห็นคนอื่นเขาทำแล้วเขาสาเร็จแต่เอาว้เรามั่นใจก็ไม่ได้ก็มีเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีความมั่นใจอะไรเลยนะ น้อยก็ตามมากก็ตามแต่ไม่มีเลยเนี่ยมันจะลงมือทำไม่ได้มันก็จะเป็นแค่ wishful thinking เอ อ, เ อ, อดีดีสวยงามดีพอใจดีสำเร็จดีเห็นตัวอย่างจากคนอื่นแล้วมันก็ลงมือทำไม่ได้นะแล่ไม่เรี่กว่าความมั่นใจนะแันแค่คิดเอาเฉยแต่เราจะเปลี่ยนจากความคิดว่าเออคนนั้นก็ทำได้คนนี้ก็ทำไ ด, คนนำได้คนนั้นก็สำเร็จคนนั้นก็เป็นดี ให้เป็นความมั่นใจคือศรัทธาขึ้นมาจริงๆคุณเราจะมีศรัทธาได้ต้องเห็นถูกในทำฝันคือเราไล่ไปตามขันตอนก่อนนะจะมีสตินะต้องมีความเพียรเกิดการทำจริงัแน่ๆจริงใช่ไหมลงมือทําจะลงมือทําได้มันต้องมีความมั่นใจความมั่นใจในที่นี่คือศรัทธาศรัทธาไม่ใช่ว่าคุณคิดเอาเฉยเพราะแต่คิดเอาเฉยเป็นภาษาปานมานัสน น, นนี่ใครๆเขาคิดได้ แต่คิดได้วางแผนบางคนมีบิสเนสแผนด้วยวางแผนอะไรไว้หมดแต่ถึงเวลาทําจริ ง, รงอา้าวขี้เกียจถึงเวลาทําจริงอา่าวผลัดบันประกันพรุง่งถึงเวลาทาจริงอา่าวร้อยไปไหลเบือนบายเฉะไ้ทางอื่นนะพอไปทางอื่นมันก็ไม่ลงมือทาจริงนแน่จริงเพราะฉะนั้นจะให้สิ่งที่เรียกว่าความมั่นใจคือศรัทธา เป็นพลังขับดันการลงมือทำจริงแน่จริงได้ลำหังความคิดอย่างเดียวไม่เพียงพอใกลๆก็คิดได้นั้นล่ละไอเดียภัสสะต่างๆนั่นนี่อย่างเดียวไม่พอสิ่งที่จะทำให้เปลี่ยนจากความคิดเห็นต่างๆนั่นนี่มาเป็นความมั่นใจคือศรัทธาศรัทธาต้องเกิดจากความทุกข์เนี่ยลังเกิดจากปัญหา เรามีปัญหาอันใดอันหนึ่งนะเ้าเราไม่เห็นปัญหานั้นเนี่ยเราแก้ไม่ได้นะเราจะไม่รู้ทางไปแต่ถ้าเราเข้าใจก่อนนะยอมรับก่อนว่านี่คือปัญหานะคือเห็นความทุกข์ไงทุกข์จึงต้องเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของศรัทธาศรัทธาจึงต้องมีทุกข์เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยทุกข์ในที่นี้ไม่ใช่ห ม, มายความว่าคุณจะต้องแบบปวดขาปวดหลังก่อนนะไม่ใช่ เห็นทุกข์ด้วยปัญญาทุกเกิดจากการเพล่พลากทุกเกิดจากความสูญเสียหรือทุกเกิดจากความที่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปของสุขเบธนาเห็นทุกข์นี่จึงจะทําให้เกิดศรัทธาหมายถึงเห็นปัญหาที่อยู่เฉพาะหน้าไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งถ้าเราไม่เห็นปัญหาจะไม่มีแรงผลักดันให้เกิดการลงมือทํา เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาหมายถึงเป็นความทุกข์หมายถึงเป็นสิ่งที่เราต้องมาแก้มาทํามาปรับมาทําการปรุงมาทําการลงมือทำนะเแล้วถ้าคิดเฉยๆมันไม่ลงมือทําเขาไม่เรีกศรัทธานะศรัทธาจึงต้องประกอบด้วยการลงมือทําจริงแน่ๆจริงด้วยนั่นคือความเพียรศรัทธาจริงๆจะนําห้เกิดความเพียตรตามบุฟังตามฟัง ก็มีศรัทธาไงตัวท่านฟังที่ฟังรายการธรรมารัมยุลมาเป็นประจำฟังแล้วเออเข้าใจดีฟังแล้วมีปัญญานั่นมีศรัทธานะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจด้วยปัญญาไปะละปัญญานั่นแหละสนับสนุนเป็นศรัทธาปัญญานั่นแหละที่เป็นตัวให้เกิดความมั่นใจทําไมปัญญาให้เกิดความมั่นใจได้เพราะว่าเวลาเราตั้งสติไว้ใช่ไหละ่ะ ตั้งสติไว้ตั้งสติไว้ความที่จิตมันจะวนไปเพลินไปตามสิ่งต่างมันจะลดลงอย่างที่ว่าพาะสติมีกำลังมากขึ้นเปอร์เซนต์เจสของไอความเพลินความเผลอความลืมไปกลล็ลดลงลดลงไอขาที่มันกำลังลงเราจะสังเกตได้ด้วยความที่จิตของเราเริ่มจะเป็นอารมณ์เดียวเริ่มจะเป็นอารมณ์เดียวเพราะมันระงับลงระงับลง ความที่ในช่องทางใจมีความระงับลงจิตเริ่มเป็นอารมณ์เดียวสินี้เรียว่าเป็นสมาธิมีสติแล้สมาธิมันก็นจะเกิดไงพอมีสมาธิเกิดเนี่ยสังเกต ด, ดูมีสมาธิเกิดแล้วโอ้สมาธิเป็นอย่างนี้อ่ะโตสติเป็นอย่างนี้อ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแลโอ้ล้ความเพียรศรัทธาเป็นอย่างนี้โอ้โถคิดอย่างอื่นเป็นมาตั้งนาน ยายจะเปควบคุมภายนอกนั้นนี่ตอนนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอะไรเกิดปัญญาเกิดไงปัญญาก็เป็นเหตุเป็นผลเหมือนกันอนะสมาธิเป็นผลของสติสติเป็นผลของความเพียรความเพียรเป็นผลของสตาก็คือความมั่นใจความลงใจเอาแล้วสมาธิรวม ก, กันกับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีอะไรเป็นผลปัญญาไงสิ่งเหล่านี้ เป็นเหตุให้เกิดผลคือปัญญาปัญญาเป็นผลของการที่จิตเป็นระมั์เดียวผสมกับสมาธิผสมกับความเพียรผสมกันแล้วเกิดปัญญาปัญญาก็มีเหตุมีปัจจัยมีเงื่อนไขของมันเหมือนกันปัญญาเนี่บางทีมันจึงเกิดยากเพราะมันต้องอาศัยหลายเงื่อนไขหลายปัจจัยไงทีงนี้ทั้นั้นมันก็อยู่ในช่องทางใจเราเหมือนกันน่ะจะเกิดปัญญาได้ต้องอาศัยสมาธิสมาธิจะเกิดได้ต้องอาศัยสติสติจะเกิดได้ก็อาศัยลมหายใจอันเดียว เราไม่ใช่อย่างเดียวโอเคทำยังไงให้มันเป็นสมาธิขึ้นมาก็ต้องมีกําลังใช่ไหมละ่ะสมาธิเป็นก้อนหนึ่งขึ้นมาแล้วมันก็จึงกลายเป็นสองสามเงินขแล้วเนี่ยปัญญาจริงๆทีมันจึงเกิดยากในบางคราวบกล่าวแต่สําหรับคนที่ชนานาญแล้วฝึกทํามาดีแล้วการควบคุมปัจจัยสองสามอย่างในช่องทางใจของตัวเองมันยังง่ายมันยังดีมันยังได้ผลิตที่ว่าคุณต้องไป ขอยืมเงินเขาขอยืมรถเขาต้องรอเศิษฐกิจดีต้องรออัตราแรกปรเปลี่ยนต้องรอเรื่องสุขภาพรอยาหมอมันก็ยังเป็นภายในการอาศัยปัจจัยภายในยังดีกว่าพอเราถึงเรื่องปัญญาแล้วใช่ไรู้แล้วแหมอสมาธิเป็นอย่างนี้สติเป็นอย่างนี้พอเรารู้ว่าไอ้ที่เราเคยทำมาเข้าใจมารู้มาเรียนมาจริงๆมันเป็นอย่างงี้อย่างงี้ ปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เกิดความมั่นใจไงทผู้ฟังโอ้มสอดกล้องลองรับกันอย่างนี้เป็นดั่งย่ายอย่างนี้ค่ะทุยิ่งมีความมั่นใจขึ้นในอะไรในกระบวนวิธีพอ ม, มีความมั่นใจนั่นคือศรัทธาศรัทธายิ่งทาให้เกิดความเพียรทําจริงแ น, แน่วแนจริงศรัทธาถูกวิธีไม่งงงายศรัทธามีที่ไหนนะต้องมีปัญญาประกอบเข้าไปทุกที่เลยในคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่งมงายมีปัญญาศรัทธาคือความมั่นใจนั้นก็ขับเคลื่อนให้เกิดการลงมือทาจริงแน่แ่จริงคือวิรยิยะลงมือทาจริงแน่แจริงสติงไงเราได้แน่นอนสติก็มีกำลังมากขึ้นสติมีกาลังมากขึ้นแล้วในขาที่จิตมันสงบลงร่มลงในก็เรียว่าความที่จิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้ว เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นปัญญาสมาธิสติความเพียรก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญาปัญญาก็มีความเข้มข้นขึ้นเรายิ่งมั่นใจว่าโอที่เราเรียนมารู้มาเห็นมาได้ยินมาเออจริงๆมันเป็นอย่างนี้สมาธิขั้นลึกเป็นอย่างนี้สติมีกำลังเป็นอย่างนี้ยิ่งมีความมั่นใจมีความมั่นใจแล้วก็ยิ่งลงมือทาจริงแน่แนจริงเราจะไปตามวนลูป แห่งความสําเร็จในลำฟังคนที่เขามีความสําเร็จในชีวิตยอย่างใดอย่างหนึ่งนีนะเขาไม่ได้ไปทําครั้งเดียวแล้วปังเลยแบบถูกหวยเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเกิดจะความสําเร็จที่น้อแล้วน้อยแสะสมเอาสะสมเอาสสเอานี่ยมันยั่งยืนมั่นคงใช้ได้ดีกว่าเหมือนดอกเมียทบต้นคุณจ่ายเข้าไปคุณจ่ายเข้าไปคุณสะสมไว้คุณสะสมไว้ เวลามันเกิดผลเนี่ยโอ้โหบึมขึม้นมานี่สบายนะท่นฟังสบายตอนหน้าเพราะเกิดจากความสม่ำเสมอตอนนี้ถตาเรามีความสม่ำเสมอตอนนี้เราจะสบายใจภายหน้าได้จะไม่ต้องมาเกืดร้อนใจในภายหลังบางคนไม่ได้คิดตอนนี้ก็ออกแบบว่าไม่ได้สร้างเหตุไม่ได้สร้างปัจจัยอาศัยยืมเงินเขาอาศัยยืมรถเขา พอถึงเวลานั่นเขามาทวงคืนร้อนใจภายหลังนะพระบุตรชาจึงบอกอย่าต้องมาเป็นผู้ร้อนใจในภายหลังความคิดตั้งแต่ตอนนี้คือพอเราคิดความคิดเนี่ยเป็นการไตรตรองใคร่กรวดละปัญญามันเริ่มเกิดใช่ปะตอนนี้เราคิดว่าเอ้ยมันไม่งั้นจะมีปัญหาภายหลังงั้นตอนนี้คุณต้องลงมือทําอะไรสักอย่างอะไรอย่างหนึ่งไงการลงมือทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือความเพียรแล้วเลย เราลงมือทำตอนนี้เพื่อไม่ต้องมาร้อนใจในภายหลังการที่เรามาคิดตอนนี้ก่อนก็คือว่ามีความร้อนใจเกิดขึ้นตอนนี้ก่อนแต่ร้อนใจที่เกิดขึ้นตอนนี้นั่นคือใส่ความเพียรลงไปนั่นเองใส่ความเพียรลงไปพ้นมันก็ต้องเกิดสมบรั ง, หหงให้เรารักษาสติเราก็ไกรกรวนตามในยะคาถาที่ยกมาในตอนต้นเริ่มแรกนี่ละ ยะถาญาจิตกังญานังยถาญาจิตกังทนังญานังก็คือยานหมายถึงรถทนังหมายถึงทรัพย์ยืมเข้ามาญาจิกังยืมเข้ามาของยืมมาไม่เราทํำก็เราเองเราสร้างเหตุสร้างเงื่อนไขทาปัจจัยในจิตใจของเราเองทำไว้แล้วฟังสะสมยัยสะสมยัย เหมือนกับความดีที่เรามีไม่ต้องให้คนอื่นยื่นความสุขให้แต่เป็นความสุขที่เกิดจากในภายในพอเรามีความสุขในภายในไม่ต้องอาศัยผู้อื่นหยิบยื่นให้มันมีความอิ่มเ อ, อิบใจความสบายใจมันอิ่มกวา่ามันสดชื่นกวา่ามันภูมิใจวาากว่าเหมือนันเถอะให้หนุฟังรักษาสติรักษาสมาธิ ฝึกปฏิบัติธรรมไว้อย่างดีและที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังมาทั้งหมดนั้นคือการปฏิบัติทางจิตตภาวนาในช่วงของจิตตวิเวกในรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูรณ์อาพิปุณโญซึ่งนำเสนอผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตั้งแต่เวลาตีหถึง6โมงเช้าหรือว่าในกครือขายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆสมฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทั้งในระบบพอดแคสต์ที่เว็บไซต์หรือว่าทางโซเชียลมีเดียต่างๆและพบกันใมในวันรุ่งนี้สวครับ